เด็กชายวาดแมวกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีเาวานาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก3ามคนพี่ชายคนโตและน้องคนเล็กสาม ก, ก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อโดยที่พ่อไม่ต้องบอกอะไรพวกเขาเลยแต่ลูกคนกลางแอนดี้เขาไม่คิดทําอะไรเลยนอกจากการวาดภาพและลงสีและเขาวาดอะไรอย่างนั้นเหรอแมวแอนดี้อยู่ไหนลูก อยู่นี่ครับพ่อผมกําลังวาดนี่อยู่แมวแสนสวยพ่อชอบไหมโอ้แน่นอนพ่อชอบซีพ่อชอบแมวทุกตัวที่ลูกวาดเลยลูกพ่อพ่อว่าแกวาดลูกแมวเยอะเกินไปแล้วนะแต่พ่อผมไม่ได้วาดขำๆผมพยายามจะวาดอย่างอื่นแล้วแต่ตอนที่ผมวาดแมวเนี่ย ผมรู้สึกเหมือนกับผู้มันพูดกับผมได้พอรู้สึกโหนิดกับแอนดี้มากแอนดี้พ่ออยากให้แกมาช่วยพอททำงานที่ไรแต่แกไม่เคยมาครั้งหน้าถ้าพ่อเห็นลูกว่าดมแมวอีกพ่อจะส่งลูกไปหานักปราดที่หลังหมู่บ้านซะนะอะไรนะไม่อะผมไม่อยากไปที่นั่นอะ ลูกได้ไปแน่ถ้ายังไม่เชื่อฟังพ่อเอามาช่วยพ่อขนมันฝรั่งได้แล้วแอนดี้ที่น่าสงสารไม่ชอบทำงานที่ไร้เลยเขาชอบเพียงการวาดรูปแมวไม่ว่าเมื่อไรที่เขาเห็นแมวเขาไม่เคยเบื่อพวกมันเลยวันหนึ่งพ่อได้เข้ามาตามแอนดี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะหายตัวไปลูกหายไปไหนเนะ่ะ แล้วใครจะมาช่วยฉันขนข่าวสา ล, ลีกันแมว <ie> อ๊อนมามอะไรเนะ่ะเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ทุ่งไรเขาพบว่าแอนดี้กำลังเล่นกับเจ้าแมวหน้าบึง้งโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วตรงนี้เราจะไปหานักปราดแล้วคอยเขาสอนอะไรก็ได้ให้แกเพราะการวาดแมว่ก็ามาช่วยแกมีความสุขไ้ตลอดชีวิตลอนะแต่พ่อ นี่มันคือสิ่งที่ผมชอบทาอ่ะแต่พ่อของแอนดี้ก็ยังคงตั้งใจที่จะให้แอนดี้หยุดวาดแมวดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงไปหานักปราดชรานักปราดชราต้อนรับพวกเขาและถามว่าพวกเขามาที่นี่ทำไมกออ็อย่างที่คุณตาเห็นนะพ่อไม่ชอบผมเพราะว่าเออ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ชอบลูกตัวเองนะแต่ว่าแอนดรีนี่มาทำงานทำการอะไรดีๆให้สมก็เป็นเด็กผู้ชายเลยยังงั้นเหรอแล้วเขาทำอะไรบางละ่ะก็วันวันเอาแต่ว่าดรูปว่าแต่รูปแมวเจ้าสัตว์มีหนวดงงโง่งงนั่นนะเซพ่อผมบอกพ่อไปแล้วว่า พ, พวกแมวนะ่ะพูดกับผมได้นะฮะอ พูดกับเจ้าได้เหรอแม่ฟังดูน่าสนใจดี <c oughs> แอนดี้บอกนักปราชทุกอย่างที่เขาเคยเล่าให้พ่อฟังเมื่อฟังเรื่องทั้งหมดนักปราชญ์เงียบและใช้ความคิดหลังจากนั้นพ่อของเขาก็ทิ้งเขาไว้กับนักปราชญ์ ช, ชาราชายชราพูดจาสุภาพกับเด็กชายและถามปริศนายากๆ ก, กับเขาความฉลาดคือคำตอบที่ได้มานักปราชญ์ ตกลงที่จะให้การศึกษากับเพื่อนตัวน้อยเด็กชายเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในสิ่งที่เขาสอนและเชื่อฟังเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงกระนั้นนักปราชญ์ก็สังเกตเห็นได้ว่าเด็กชายชอบที่จะวาดรูปแมวในชั่วโ ม, มงเรียนและวาดรูปแมวแม้ในที่ที่ไม่สมควรจะวาดได้เลยนักปราชญ์เรียกพ่อของเด็กชายลูกชายของคุนะชอบวาดแมวมากและนั่นเป็นของขวัญจากพระเจ้านะ ของขวนที่ทำไมเขาพูดกับลูกแมวตัวน้อยได้อย่างนันเหรออืมไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ฉันพูดก็ได้แต่ลองฟังสิ่งที่แอนดี้พูดเมื่อน า, นานมาแล้วเนี่ยฉันฝันถึงแมวแล่เมืองถัดไปฉันคิดว่าพวกมันน่ะจะต้องมีความเชื่อมโยงกันแน่โอเคงั้นผมควรจะไปที่นั่นดีไหม ลองไปดูสิแต่ว่าจำคำแนะนำสุดท้ายที่ฉันอยากจะบอกนายไว้นะลีกเลี่ยงการวาดแมวนะสะพหรืงแค่ทีเดียวแอนดี้สับสนมากเขาไม่เข้าใจคำแนะนำสุดท้ายของนักปราดเลยแต่เขาก็ขอบคุณนักปราดและจากไปพ่อของเขาไม่สนับสนุนเรื่องนี้แต่เขาก็ปล่อยให้แอนดี้ทำตามที่ต้องการ แอนดี้เดินทางมาถึงเมืองในตอนกลางคืนและทั้งเมืองก็ดูเงียบสงบมากๆแปลกจังไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยบ้านทุกหลังก็ถูกปิดสงสัยจังว่ามีคนอยู่ที่นี่ไหมนะเมืองแห่งนี้ถูกคุกคามโดยหนูยักษ์ขนาดนีลัวงมันเนี่ยใหญ่กุบวัวมากมันจะมาเฉพาะในตอนกลางคืนดังนั้นผู้คนในเมืองจึงออกไปในตอนกลางคืน และกลับมาอยู่ในบ้านเฉพาะในตอนกลางวันจนกระทั่งหนูยักษ์กลับมาอีกครั้งแอนนี่เดินเตร่ไปเรื่อยๆจนพบกับบ้านใหญ่หลังหนึ่งมันสวยงามมากและแอนดี้ดูเหมือนถูกเชิญให้เข้าไปในบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ผู้คนใช้ถวายอาหารให้กับหนูยักษ์เมื่อแอนดี้เข้าไปเขาพบกับอาหารมากมายด้วยความหิวของเขาเขาจึงกินมันจนหมดเมื่อเขากินเสร็ เขาสังเกตเห็นได้ว่าผนังทั้งหมดล้วนเป็นสีขาวผนังสีขาวผนังสีขาวอันใหญ่สิ่งเดียวที่คนแบบฉันจะคิดออกก็คือวาดรูปดังนั้นเขาจึงเริ่มวาดภาพและแน่นอนเขาวาดรูปแมวตัวใหญ่มากมายบนผนังดูสิยอดเยี่ยมไปเลยออ แต่ก็เล่นเอาเหนื่อยแทบแย่เลยเอาเป็นว่าฉันขอพักก่อนสักหน่อยนะแต่แอนดี้หลับไปได้ไม่นานเขาก็ถูกปลุกด้วยเสียงดังน่ารำคาญของสัตว์ เขาได้ยินเสียงดังคำรามใกล้เข้ามาเรื่อยๆอันดี้กลัวมากเขาเรียบเข้าไปซ่อนตัวในหีบใบใหญ่เจ้าสัตว์ที่ส่งเสียงคำรามเข้ามาในบ้านและส่งเสียงดังมากอนดี้กลัวจนตัวสัน่นแต่ทันใดนั้นมันได้มีเสียงแมวดังขึ้นอะไรเนี่ยลับบ้าน ก็สั่นสะเทือนไปกับการต่อสู้ของสัตว์แอนดี้ปิดหูของเขาโ อ, โอ้นี่มาอะไรกันนะ่ะแรงสั่นสะเทือนของบ้านและเสียงดังโครมครามทำให้ชาวบ้านออกมาจากบ้านของพวกเขานมันเสียงอะไรกันเนี่ยไปดูกันดีกว่านะอาจจะมีผู้กล้ามาช่วยเราจากเจ้าหูปีศาจ น, นี่ก็ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไปดูว่าเสียงปแปลกๆนี่คืออะไร ในขณะที่บ้านหลังใหญ่ยังคงมีการต่อสู้อยู่แอนดี้สั่นกลัวไปทั่วทั้งตัวนี่มันว่าอะไรกันเนี่ยไม่นะการต่อสู้ได้จบลงและเมื่อแอนดี้ได้ยินเสียงทุกอย่างเงียบลง<แ>เขาจึงเปิดหีบที่ซ่อนขึ้นและพบว่าหนูยักษ์ ก, กำจัดลงไปกองกับพื้นอย่างไร้สติโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดวงตาของเขามองไปที่ภาพวาดของเขาบนผนงังและพบว่ามีเลือดนิดหน่อยอยู่บนแมวนี่มันอะไรกันโอ้หนูนั่นคุณจัดการหนูปีศาจได้แล้วเราถูกมันคุกคามมาเป็นเวลานานขอบคุณมากนะคนแปลกหน้าผู้มีเมตตา แอนดี้ไม่รู้จะพูดอะไรเขาประหลาดใจมากกับเรื่องทั้งหมดนี้ตอนนั้นเองเขาจึงเข้าใจคําที่นักปราชญาพูดเอาไว้หลีกเลี่ยงการวาดแมวที่น่าสะพรึงแค่ที่เดียวอ อ, อ, อไม่เป็นไรอและไม่นานเรื่องราวของแอนดี้ผู้พิชิตปีศาจนูได้กระจายไปทั่วโลกสำหรับพ่อของแอนดี้ข่าวเรื่องความกล้าหาญของแอนดี้ ได้มาถึงเขาในไม่ชา้าฉันรู้ว่าแอนดี้มีพลังผู้นี้ไว้เพื่อบางอย่างคุณไม่ภูมิใจหรืออ๋อใชอ่ผมภูมิใจในตัวลูกชายผมมากเลยล่ะภูมิใจจริงๆรอันที่จริงเขารู้สึกละอายใจเล็กน้อยที่ไม่ยอมให้ลูกชายของเขาทำตามความฝันตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้เขามีความสุขมากที่ในที่สุดลูกชายของเขา ก็ได้ทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดก็คือการวาดแมวเรื่องราวของแอนดี้ได้สอนพวกเราแล้วว่าจงทำในสิ่งที่เรารักจักรวาลจะหาหนทางทำให้มันวิเศษขึ้นมาเอง